เอาสัตว hey, yeah. ์ไปใช้เาเอาไปค้อเาไปผูกเาสั์โผล่โผล่โผล่ขไปมาไว้ึกสอนให้มันรู้จักเชื่อวนเต่าตูเชื่อลให้มันเชื่อแล้วเขาก็ แล้ะจะเห็นตื่นดับอยู่กินของพระเสดระบุคนันก็จะเป็นอย่างนี้พระเสดระบุตรเสด็รบคุคือยังไง Wow. เป็นของของเราค่อยน่าเกิดขเราจมาอุปาว่าอ และิชชู่หอมเยิมมากตัวแรกตัวสัตว์ว่าคนว่เราเขามีั้นหาให้มันได้ัหาเท่านั้นจึให้เบียกับขหาือกันหาว่าป็ตัวตนไปนอนองเขาละด้วยปัญญา y e m i mean, h yeah. นิจฉะที่จริงความคันเลยนความคสัตมาว่าเราเห็นูว่าเราได้เสียงนจริงก็เ เราคพท์องคนโบราณแล้ว เ, าเขามันก็ัพไม่แจึงเกิดความยขึ้นมาเมื่อาษาสาัน 3, ตวนว่ามีเรามีเขา ม, มีตัวมีตนในภาษานนั้นอนาณาจกมีชาทิฏฐิอวิช า, ารู้ไม่จริงสามมาทิฏฐิก็คือวิชาหรือกกรู้จริงหรือว่ า, วาก่อนสัโบกาณ ลึกขันหนาวางแกสัตว์ุนตนเราเขาไม่ใช่สัตว์ุพคนตุโนเรเขานี่แหละปัญญานะปัญญาคือสมถที่ความเห็นถูกต้องความเห็นตรความเห็นจริง เ, งเกิดขึ อ, อ, อิชาคือความรู้ในกินงงง่งความโง่ควารู้ดับไปมต่ตด้เห็นรู้กไม่ใช่แล้วนห็นสัแล้ว่าเห็นเฉ ย, ยเฉยฉะนั้นนี่ยังให้นะ สัมมาท ถ, coffee, ถ si i i. ้าเาัก so ่งถ้าราสมกสิที่ะครราสายเป็นส <c ười> ังมาทิฏฐิเรื่อยดังไปเมดมันจะไม่เกิดอานมณ์มันจะไม่อินดีอินไลยินดีก็เรียกว่าอาการใสตามโนทำให้เกิดการกามละกามั้าอินไล ไม่ไพอใจโกรธกคือปฏิาณใส่ตามอนมันก็มีแค่นี้นะกา ม, มากา ม, มาสวาัดเมื่อนาคันส่ตามอนทำให้เกิดกามเกิดกรักคือกา ม, มาสวาัสดิ์ความน่ายิงดีก็จะา ม, มาสวาัดิอดิรชาติวาวะสวัด มิจฉาลง่าอมน่เยหย่าน้เมื่อถูกโทษเพรลงใว่าใจนี่เป็นสัตว์เป็คนตัวเป็นตนเราเรามันลงใจเราไปลงใจเองหลงว่าใจนี่คือสัตว์เป็คนตัวเปนตนเรานี่มิจฉาสัมมาทิฏฐอตายสัตว์เทวกายไม่ใช่สัตว์เป็คนตัวเปนตนเรใจสัตว์เทวเขาตสสัใจ ใจสัตว์ุสนเราเมื่อาใจมันกระทบกันโยกกับนกระทบกันสัมผัสกันผัสสะสัมผัสผัสสะเกิดขึ้นผัสสะท่ไม่ง่ผัสสะที่ไม่ง่ผัสสะที่ไม่เมื่อยไม่ปวรผัสสาเมื่อยัสสะปวดผัสสะง่ผัสสะกัน โลงมังกรเทมาเมื่อผัดซาเกดขึ้นสัมมาทิฏฐิผู้เห็นตรงเห็นถกต้องจะดับโลงดับอมณเห็นสัตว์แต่วัเป็นที่เฉื่อไม่มีใครเห็นสิ่งที่เห็นก็ไม่มีตัวตนแสบบุคมลนะเลยเลยจึงจางทุกข์ขนัตตาจึงดับนี่แหละกิมของพระอเซษะเห็นก็สัตว์แต้ว่าเห็นไดยินดี เ, เข้าใจมา้ลยนะคุณเบีาสตยปัญญามันจะมาแตะเราต้ น, ตนเหตต้องดับที่ต้นต้นเหตเุตน้นตคืออวิชชาอิลงสังขารก็มีเหตุอิทธิใดวงทุขสังขนนารเนี่ยตาเห็นดวมือได้ยินเสียงมันจะว่ามีแสงพต้ น, น, ตนเหตุในจิตใจองเรา โลแกลแกสมินของเราเป็นกิิเทียกินปีโลกินสมไ่แกอสมปือสมสมุทั้งหลายก็ยอห้าดองหานก็สม Oh. กายใจก็ยังมีอุปทานถ้านื่อนายให้ความมี เฮ่ เราถึงกายของเราเนีล้ปฏิบัติว่านใจขอกใจของเราให้ปฏิบัติผลจากการกระเขาเรียกว่าปฏิบัติก็รู้ว่านวาปรกใจสักแต่ว่าเขาตั้งชื่อว่าผ่านสกปรกกายไม่ใช่สารพุทธนหรอกปฏิบัติผัสูนูในเรกกาย่าจใจ ในตัวในงกายในของวาในใจจะไปท่องอะไรรักษากายของในวาจของใจของผีเขาเรียกว่าอริยตันตสีนนสองร้อยยี่สิบเ้อยยีชื่อของนใจชื่อของสี ก็เสียก่อนจากกายลอยใจไปกายเริเยื่อเริ่มเสียาบองเงินมันถือเสียหยาเรื่องของเพดานท่สักีนชอบของของเพดนหังตาจิตใจมันดูตกใจใจใจหยาบได้ยิ่งไปเ่อยเพราะปฏิัตกายและใจกายใจเราู้เท่า ใช่เีสมมติเขาบอกไม่ได้แต่มันติดสี่งติทำถ้ามันจากเอทาทีอาพระสนมาหนกกุวันนี้มีแต่ภาพมีเงินทั้งนันแหละมีแต่ภาพรับธรรมรแดงเลยไม่มีเงินสักสกตางค์เลยหรือบางคนกาถึงรอเอี้ยใส่ยา ดับรูปต้นน้ำได้เห็นว่าคันห้าในกายว่าใจไม่มีสารพจน์ต้นตนน้อเขานี่ก็เรียกปฏิบัติผลของการปฏิบัติแต่พอเรารูว่ากายว่าใจมีสารพจนต้นตนน้องเคือคันห้าเห็นสารพจน์ตนตนเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้ามี่ในตนต้นมี้คันห้านี่แหละ มิจฉาทิฏฐิความเห็นอย่างนี้สิความเห็นขันมีโลหะขันมันไม่มีอยู่ที่ไหนฮะขันมีโลหะความเห็นมีอยู่สี่อย่างเห็นขันห้าด้วยตนหนึ่งเห็นตนเป็นขันห้าสเห็นขันห้ามีอยู่ในตนสเห็นตนมีในขันห้าสี่ ทานมีห้าท่าคมามเห็นสี่อย่างควรกันสี่ห้าดสิบทิศที่ปริติปฏิบัติาดจากความจริงเป็นมิจฉา ท, ทิเป็นอวิชชาลูโหลรู้ไม่จริงท่านจึงทำทิีแต่ดับนี่แหละก็จิตวิมากเมื่อมาถอดทันห่าดูถอดกายดูดิ่นหน้าลงไปแย่พอ เห็นว่าไม่มีคตทำสัตว์คนเราเขากายหยอดกายกายเป็นลูกลูกทำทาไมเป็นลูกทำกายก่อนทำก่อนธาตุก่อนมันเกิดจากธาตุสีธาตุสีก็คือธรรมธรชาติธาตุดินก็คือธรรมชาติธาตุน้ำก็คือธรรมชาติลมไปก็ธรรมชาติธรรมชาติ คื อ, รอธรรมชาติก่อนท่าก่อนทมก่อนท่าสิ่ก่อนธรรมชาติสี่อย่างเลยก่อน ท, าท่าก่อ น, อนไม่มีสัตว์อุคกรณ์ตนอยู่ที่นี่ทหาดินเป็นตนหรือกระทตนเป็นดินหรือดินนี้เปนตนคนนี้เป็นดินหรือดินเป็นเราเราเป็นดินหรือ ไม่นี้ก้อนธาตก็ไกแยกก่ก็บอกไายก็สัตแต่เนีเอาการชื่อสมมติว่าไก่เฉยๆไม่ใช่สัตทุกคนก็คนเราเผามาแยกธาตุนิ่งน้าลมไฟหก้อนสกก่ก้อนสอบยาวรานึกมาแยกออกแยกธาตุแยกทั้งแยกออกทำไมยิบหลงจิบหม้อจิหลง จีบมาแย่กายจีบดูมาสอนจีบเขาจีบมาสอนจีบกายเนี่ยน <ened> ี Seriously. ่ธาตุดินเนี่ยีสัตว์นิพยูนีมีแต่กนเราีสัตว์นิพคานยูนี่ดินตรงไหนมันเป็นาตุดินตรงไหนมันเป็นเรา้าตุดินตรงไหนมันเป็นเขามันไม่มีเรามีเขาเป็นอนัตตามันเสื่อมะไรมาไสูญไปเป็นอนัตตา ที่เรีกมันก็เป็นอัตาอยู่เมื่อเขาเอาไฟเขาไฟเห็นมันก็เป็นอันตาเหมือนกับหม้อดินโงงนะมัตันอยู่ก็เป็นอัตาอยู่เมื่อมันเสื่อมอะไรเตกลงไปมันก็เป็นอันตาเหมือนก้อนแข็งอย่างเงีเมื่อเรามองเห็นอยู่ด้วยตาเมื่อนาตานังมันก็เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นอันตาอยู่การเวลาค้อบกืนกินมันให้นาน มันเสื่อมช้าลงสู่ธาตเดิมมันก็เป็นอนัตตาอัตตานี่มันบางอตาต้องเข้าใจอย่างดีกันไหนแบบชั่วตนอัตตาตัวตนอยู่ในก้อนหลังแสงอัตตาไหนอัตตาเนี่ยคืออนัตตาเมื่อมันเสื่อมช้าลงแล้วก็เป็นอนัตตาต้องเข้าใจอนัตตาอัตตาเนี่ยมันบางอนัตตาเนื่องมาจากสุสั ถ้าเป็นเราเป็นของของเราถึงใจคงจะสั่งได้อย่าเก่อย่าเทอย่างออย่าปันตัวให้เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนมันเดิมันบวมได้สั่งได้ีอยู่ใต้กงััญาของเรามถ้าเป็นเราคงจบวมได้นี่ไม่ใช่เรา่ของของเราเป็นเราโดยสมบูรเป็นของของเราโดยสมต้องเข้าใจอย่างนี้มาน จึงแ ย, ยกธาแยกขันอยู่เห็นว่ากายกอสัตว์แต่ว่าโลกเขสมมติต่างชื่อสมมติว่ากายเฉยๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนองเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วไปไหมยืนยนนั่ น, นอนมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นกระไก่เนี่คือตัวต้นของเราคือสรุปคนเราต้นเราเขไปไหนนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เ้เห็นโลกมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็มาเราเห็นอยู่ถ้าเป็นสมาิี่นก็สวนไม่ใช่เราเห็นเนี่ยแหละสมมตปัญญาปัญญาอันชอบทีสมาธิจะไปน่ที่หนไอนก็ เรียกว่าปริยัติธรรมหรือเรียกว่าพระสูรพระเบญเป็นพระสูรสองห่นหนึ่พันสูรพระวินียร์สองนหนึ่งพันสูรพระประัดสี4ห0 0 0นพันสูรก็รวมเป็น 84,000 ืพันระธรรมเนี่ยท่านแ ส, สดงไว้ดีแล้วเอาเพิ่มไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้เนื้อหมอกไม่ได้ม <c ười> ีอยู่เท่าเดิม ถสูดก so, ็สูไหนก็สสนสูสดไหนก็สองกายว่ใจเวินัยนัยไหนกวินัยของกายินัยว่าใจนัสนเพว็เรื่องของใจเฉพาะเรื่องของจิตเฉพาะเป็นธรรม้ได้ลไม่มีอะไร้ยว่อลอีกเป็นนสี่พันันถสูดย่อลบอีกถสู การนาปาใสติถ้าสูรก็วิเไไนย์ถ้าสูรก็สูตรล้วเขา้าง่ายต้องเก่เก่าถ้าสูดคือสูตแล้วเขา้าง่าเพราะวนคือหายใจออกส่วนพระประมันคือองคุตโตคือพุทุลึกซินอยู่ในพระสูดในพระวไไิเนในลมหายใจถ้าเราภาวนาดับลมหายใจลงได้ก็เห็นองค์พระปรม เห็นผู้โทรเป็นผู้รู้้รู้ลมหายใจไม่มีะนะก็เห็นตั้งแต่ความรู้รู้รู้เจอยู่เท่าน้นี่แหละพขารามาตรธรรมธรรมละเอียดยิ่งยิ่งไปฉังนั้นถ้าสวยก็คือสวยตรงเข่าเท่านั้น ก็จะช่วยให้เราได้ สิ่งใดไม่เที่ยสิ่งนั้นก็ไปทุกสิ่งใดเปทุกสิ่งนั้นเป็นอนักตาสิ่งใดเป็นอนักตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ของเราสัพเพทธมานานิทิบชายะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของอเราสิ่งทั้งหลายทั้งัวนี้สัพเพอรมาสัพเพ สิ่งทั้งหลายทั้งปวนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็มีแค่นี้ถ้าคนมาหลงเราเป็นเราเป็นของเราเป็นวิชาทเป็นอภิชาถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เป็นวิชาสมัยที่ถีเออันมันมีอะไรก็ดับโลกดับอารมณ์ังหมวดดััาดังแสดง คนโูคือคนหลวจริงคนหลคนงงแม่เขาว่าจะะให้มีสอโค่เขาว่าจะะจะยิ้มปุ่นปุสวนแตแคคนงูคือคนสวให้มีอะไรสงสัยะถ้าส่วนที่ในสงสัย่ี้ะ กายเป็นกายเนม่ใจปกปจั่ไม่ปฏิบัติคือลมไม่ใจรมใจมดขงไทยแม่นะทานหลังท่านไปังเฉยๆเอาหัวไปมาเอาตาไปไหนแทนที่จะฉลาดกับมลเนาะไม่เชิดมลีง้งงาเจ้าพน พัติบัติธรรมพิบัติที่โอ้ยนาไม่ใจเลยทมชาติโลกเขาออานิจจังอนตาิจจงกายตัวเองอานิจจังุขังอนัตตาโลกหใจนอนิจจังมันไม่เที่ยงมอ่กทุกคังก็อยู่นี่ ดูจมันเอ้อท่านเบื à, oh, <chỉ> ่อไหนในใจจะมองไปนในก็ไปเป็นย <chỉ> ังทำไมจะเปอนฮะยอรับโอ้เจ็บเจ็บนะไม่ใช่มเพราะว่ามันไม่ช่มันไวินไ่ไใช่ไหมถ้ามันไม่ไม่เข้าเราก็ตายน่หรือไม่เออี่ะมัน ทิ้งไว้ใจันไม่ได้จิ้งมั้งใหนไหนทายความยินดีในลมแห้งๆเมื่อมนไอนทายความยินดีในลมให้งๆเขาเท่ากับคนไหนในทางข้าเขายังไงนะเพอาวานุกงก็คือลมน้ำก็เป็นใจก็คือลมเขาเรียกว่าปัญญาขันห้าขั้นละเอียดเรียกว่าปัญญาปัญญาอย่าเดียวแั่ข้าพูดมาดีเราจะขันและเหยียบระยะ กอนานี้แม่ปูได้ให้เงแม่ำจอจากขันใหญ่ไปยังอนัพอโอ้พ่อ้ก็ได้พ่ดคู่ว่าง่าน่คู่ไหยสั้นคู่ได้บเจ้าของเนียเจ้าแม่เด็กแล้ว่นว่าง่ง่เออีใหญ่่ากคูดีูไม่หาแม่ดูคูไม่ดีแม่ฆ่าไตีตีย่ี่าี ถ้าเราไม่เบืหนายในลงใมใจนะครับาะอะไนี่ยไม่เบ่หนายทำไมถึงเบ่อหน่ามันเข้าใจเลยเนาะถ้ามันไม่เข้าไม่บอกเนะมันเป็นอจรเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วจะมยึดเอาของไม่เที่ยงเลาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเปนเาอย่ามันไม่เที่ยงเป็นอภิจารุที่เบ่นายว่ามันไม่เที่ยงเบ่อหนายว่ามันเกิดมื่ดับเนี่ย มันเข้ามันออกอปท่านจะมาให้เห็นแบบนี้ยอลงแท่งไม่เนี่ยยอลไม่นาานสติข้อโลกหมดข้อจักรวานากานสติให้ต้องใส่ผูอปฏิบัติปฏิบัติใส่อนาานสติื่อยนะลเข้าลงออกไดาก็เห็นตรงพระประัดไมองค์พระประหลัคืออะไรนะพุทโ รู้อยู่เฉยๆถ้าไปยินดีเขาก็ไม่เอาเอาไงไหยินรายไม่ใเอาให้รู้อยูเฉยๆยินจะเรียกว่าพุทโธรู้แล้วก็วาพุทโธถ้ารู้ไปเรื่อยๆอยู่เขาเรียกว่าสมุทัยใจว่างถ้ารู้หรือเฉยๆ รู้แล้วไปยิ้มไปถืออยู่เที่ยว่าจิตสมุทัยจิตปฏิรูปจิตฟอเข้าแจได้แบบนี้เอนะยังไม่อุปทานเอาไปยินดียินลายนี่สองอ่านเนี่ยเราไม่เอายินดีก็ไม่เอาน้ำสมาธิไปไปย็นนั้นไปเกิด้นี่จิตสั่นแดงแดงเพขึ้นมาก็ไปยินดีครับจิตหยาบขึ้นททไปยินลายครับไม่พอใจในสิ่งที่เราเห็นในสมาธิ คนเรียกว่ายินไล่เเรยกไหล่ะให้ออกนี่หลยินดียินไล่ยอกนี่ยโยก angkan มนชื่มันรู้อยู่เฉยเฉยมันสุกก็รู้อยู่เฉยเมันว่านก็รู้อยู่เฉยเมันไม่ว่านก็รู้อยู่เฉยเฉยจึงรียว่ามัดเชื่ปฏิปทาพ่อปฏิบัติแม่ถีความเป็นทาคือรู้เฉยรู้เฉยทนท่างใช้การถ้ายินดีก็ไม่ อกามมาอากานะดอกจะตามไปแล้วเข้าใจไหมนามนะยินไออกอดจะตามไปด้ยังกอกจะมัดจมดไปเอาไปดังนะยินดีเอาไปยินไล่ทำไมยินดีก็เรียกว่าล้าใส่ตามันก็เกิดที่เดตามมาลาายินรก็ปฏิฆาปฏิาทใส่ตามันก็เหนี่นะตามมาสาก็คือินดีเพราว่าสาก็คือยินไล เกิดกระทบกระทั่งกันมาปฏิทินทานโใส่ยืนลายเข้าใจไมหลักที่หน่งยินดียลายเอาไว้หลักนะฮะที่ไปยินดียินลายก็เพราะอาิชาโนใส่ตามนอนอยู่ในจิตเราพราะจิตดูเปจริงเขาจว่าเนี่ยนะเข้ใหมจิตหลงว่ามีใส่บุคคลอยู่ในนี้จิตไปยืนดียินลายมาถ้าจิ โง่จิงลงก็ป็นแบบตับวิชารู้ไม่จยินดียินไล่ขึ้นมาถ้าจิตไม่โง่จิตเป็นวิชาขึ้นมารู้จิงขึ้นมาว่าไม่มีตัวตนไม่ต้องไปยินดีไม่ยินไล่เห็นก็สัตว์แก้วเห็นได้ยินสัตว์แก้วอะไรยินนี่เลยจิตจริงไม่ยินดีมันดับไห้ยินดีนะดำไห้ยินดีเกิดยินดีขึ้นมันดัำเป็นไหมอ่ายินรล่เลยดำไปมันจิตตรงนี้มัน อ, นอันหนึ่งเกิดอันหนึ่งต้นดับกินของพระอาเซคาบุคคลไม่ยินดีไม่ยินไน้ยจึงดับมดไม่เป็นพยายามไหม่ะที่ว่าเป็กรกินดับดับไปไม่ดับยินดีก็ดับยินด้ายก็ดับถ้ า, ดด า, อาไอ้รูเบคาเนีรูอยู่ยลยแล้วเหนแล้วไม่กินของพระอาเซคะพระอาเซคาคืออร้าเนี่คืออะไรพระอาเซขาตอบไดมมอบบุคคลเนี่เออเาละ อาเซะอาเซะว่าไม่ไม่ต้องฝึกปฏิบัติเรียนจบคันให้แล้วนั่นแหละเนี่ยวัดอาเซะขาบุคคลเสะขาบุคคลมีเจ็ดจักพวกองค์ที่เปี่เป็นอาเบุคคลาลมเดินมักก็เรียกว่าเซขบุคคลอัมก็เป็นเบุคคลอััลจึงอาเบุคคลเรียนจบคัน ทำมาอะไรดดับขันห้แล้วเห็นว่าขันหไม่มีสรูปตัวตนยิงลูกไยิงเสียงประจับได้ไม่ยิงดีไม่ยิงได้แล้วเขาเรียกว่าิตของฝ่าอเสีาดจิตตายเป็นตายปเป็นจิตของฝ่ายเสีาดนี่เอนี่ยอารมณ์ไม่เคยเคยโศกจิตเนี่ความเกิดควาะดับไม่มีจึงเป็นมิสังขันมิสังขันเป็นพุทโถ จริงถูกอ้คือจริงเวลาเรียนตอนี้เ้าเพราเข้าใจก็จะพูดให้เข้าใจกันอยากอธิบายให้เข้าใจเราไปเดินปัญญาที่จะอ๋อเพื่อมาเงื้อพูดใจไเต็มผูเบียตาเฉยไม่ยินดีใอะไรยินดีเกิดก็ได้ยินดีในอะไรก็ ยินไล่เนี่ยอะไรก็ได้ยินดีเนี่นนาานยการ น, นั่งหลับหลับการมิใช่กานรมาสวัก็ยินดีเนียนว่ากามาสวัยินไล่ก็เรียกว่า้วาสวะิบาร า, า, า, าสาาวั้อาิชาว า, า, าสบาาาสวัก็คืองโหกเขายังแม่เลยรูไปกินเอาิชาสวดนอนอยู่ใน ใ, นใจ วิชาอาสวะก็ดับเนี่ยเข้หอันเดียวกันหอาสวะดับอวิชาดับนีฮะอาสวะดับอวิชาก็ดับอาวิชาปัจจัยสังขาอวิชาก็เป็นปัจจัยกับอาสวะอาสวะก็เป็นปัจจัยในอวิชาถ้าอาสวะมีอยู่อวิชาก็ตรงดีถ้าอาสวะดับอาวิชาก็ดับถ้าอวิชาดับอาสวะก็เท่ด อาสาบอไท้ได้ดเพราะยังเป็นอาสว า, านะเนี่มันจะมีอะไรนะอเอ า, าเอาอะไรเนี้น้องไปเลือย